ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17ตุลาคม2548มีชื่อเรื่องว่าพระตาบอดวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ เป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นวันฉลากรพัดคือพระจำบรรษาคนโบราณเขาก็เลยจัดให้เป็นวันฉลากรพัดฉลากรพัดถ้าแปลตามตัวก็คือจุดประสงค์ของโบราณก็คือเมื่อพระมาจำบรรษาในถิ่นฐานบ้านของเราในกลุ่มหมู่บ้านของเราพอถึงวันนี่แหละวันพระใหญ่วันเดือนสิบเพ่นี่ ก็ทำเป็นฉลากกระพัดแค่ว่าทุกครอบครัวจะต้องมีเอาหงอาหารไทยจะทานตามมีตามเกิดแต่ทีนี้ก็สมมุติว่าร้อยหลังคาเรือนสมมตินะร้อยทั้งคาเรือนแล้วมีพระจำพรรษาสิโรคเขาก็จะจัดหมู่บ้านละสิบสิบหลังคาเรือนเป็นกลุ่มหนึ่งเป็น10บหมู่จากนั้นเขาก็ทําฉลากกระพัดขึ้นมา10บใบเหมือนกับจับฉลากทหารอย่างนั้นอะ อ่จะนี่กัมวนม้นมน้ใส่ในถาดในขันในบาทอะไรก็สุดแท้แต่และงันคน้นค้นเสร็จแล้วท่นี่ให้พระจับพอพระจับพระได้กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกรเลียงกันไปสุดแท้แต่ใครจะได้กลุ่มไหนในสิบองค์นะั้นตั้งแต่หัวหน้าจนถึงองค์สุดท้ายพระสิบรูกก็ได้สิบครอบครัวก็นํามาถวายเขากระประกาศอ่านขึ้นมาเออ องค์รูบาอาจารย์องค์ที่หนึ่งครอบครัวหมายเลทที่ น, น, น, น, น, น, น, นั่นคนนั้นคนนั้นคนนั้นสิบองค์เจ้าภาพก็เข้ามาถวายถวายพระเป็นที่ตัวเองได้ถูกพระท่านจับฉลากได้แล้วนะอันนี้คือทําบุญฉลากกพัตคือไม่ได้เลือกองค์ไม่ได้เลือกบุค ค, คลแค่ว่าองค์ไหนก็พร้อมที่จะทําบุญทําทานในพรรษาในวัน ปรุงนี้อันนี้คือคนโบราณเขาเขาทํามานะอันนี้ว่าท่านจึงว่าฉลากกพัดทาบุญฉลากข้าวฉลากเออแต่ภาษาอีสานพูดง่ายๆทําทบุญข้าวสาลีแต่ตามไม่จริงเป็นฉลากกพัตนะนัะ่นอ่ะอันนี้คือความเป็นมาของการทําบุญประจําปีคือไม่ได้เลือกครูบาอาจารย์ไม่ได้เลือกบุคคล ถ้าว่าจับฉลากถูกแล้วก็ทำบุญทาทานตามที่ได้จับฉลากนั้นๆนะในเมื่อจับฉลากเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกคณะสัตย า, าติโยมก็พร้อมกันทำบุญทิด ส, ว น, สวนกุศลกรวดน้ำถึงเปตายาตคือพ่อแม่ปู่ญ า, า, า, า, าติยายวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายตามประเพณีเพราะว่าปีหนึ่งจะมีข้าวประดับดิน ข้าวประดับเรนก็นคือทำบุญให้เปตายายทั้งหลายทำบุญฉลากพัดกับเพื่อที่ส่วนกุศลถึงเปตายาทั้งหลายเพราะในพรรษาพระท่านจำพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนพร้อมที่จะอยู่ในถิ่นฐานบ้านของเราเพราะนั้นบ้านของเราก็ให้ความสนับสนุนให้การรบนับถือถวายจจตุ ป, ปัจจัยทตยทานตามมีตามเกิดในท้องถิ่นนั้น นี่คนโบราณเขาได้จัดขึ้นมาอย่างนั้นจากนั้นก็ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับขันไปถ้าจะว่าไปเป็นผลดีไหมดีดีสําหรับพวกลูกหลานจะให้ลําลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ถ้าคนโบราณไม่ได้จัดเอาไว้วันไหนก็วันเก่าก็เลยไม่มีวันไหนเลยเลยทําเลยเลยทําเลยปีหนึ่งก็เลย หาโอกาสที่จะไปวัดไปวาก็อยากคิดว่าติดทุรลนั้นติดทุรลนี้นไม่มีไม่มีในในความคิดว่าจะต้องไปทําบุญกุศวลกุศลไม่ว่าชาติชั้นวันณะไหนอย่างประเทศจีนอย่างนี้เขาก็ยังมีวันศาสตร์วันไหว้เจ้าอย่างนี้ก็ไหว้เจ้าก็เพื่ออะไรก็คือให้ลำลึกถึงบรรพบุรุษของตอนเองนั่นแหละพวกเราเกิดมาจากไหนเป็นใคร ได้รับร่างกายตรงนี้มาเนี่ยได้รับมาจากไหนใครเป็นผู้ให้ได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ล่วงรับดับขันไปพวกเราที่อยู่เบื้องหลังร่างกายของเราก็ยังอยู่ที่พ่อแม่ให้มาแล้วเราจะทดแทนบุญคุณของท่านได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายที่เป็นผู้ ได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็ควรจะแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อบุญคุณที่ท่านให้พวกเรามาบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ของเราเมื่อท่านให้บุพาการีแก่พวกเราแล้วพวกเราก็ควรจะกะตัญญูกตเวทิตาทดแทนบุญคุณของท่านเพราะนั้นจึงมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลประจาปี ในทุกภาคของประเทศไทยอย่างภาคใต้เขาว่าเทกะจาร์บังแต่ทางอีสานนี่ก็ในพรรษานี่ก็คือเนี่ยบุญเข้าประดับดินแล้วก็บุญเข้าฉลากจากนั้นก็ออกพรรษาแล้วก็บุญวันออกพรรษาจากนั้นวันร้อยกระทงจากนั้นก็วันปีใหม่สงกรานต์อันนี้ก็คือเป็นวันประเพณีในท้องถิ่น แต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านก่อถ้าจัดเป็นพิธีก็คือวันมาฆะบูชาวันวิสาขาบูชาวันนัสระหะบูชาอันนั้นคือเป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาคนโบราณโบราณพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้บวชมามีผ้าเหลืองมียูนิฟอร์มอย่างนี้ท่านได้มาจากใครได้มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ของเราเป็นผู้มีพระคุณเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาและพวกเราควรจะล้ำลึกถึงพระคุณท่านได้อย่างไงเมื่อท่านก็เข้าสู่มหาปรินิพานไปแล้วพวกเราที่อยู่เบื้องหลังกันนี่แหละพระคุณของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังท่วมท้นอยู่ยังเต็มอยู่ในหัวใจของพวกเราเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็จัดเป็นวันวิสาขะขึ้นมาเป็นวันประูตด คือพระพุทธเจ้าเกิดตัสรู้ก็คือบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปรินิพานก็คือวันดับขันเป็นวันตายของพระพุทธเจ้าธาตุขันพระพุทธเจ้าหมดดับในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้ง3มวันทั้งสการเป็นการที่พวกพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุสั ม, มนเณีอุบาสกอุบาสิกาควรจะแสดงความรำลึกถึงอันนี้ว่าวันวิสาขาบูชา ส่วนวันมาฆ้าบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกฎหมายปกครองสงฆ์ขึ้นมาอันนี้เราพระสงฆ์มาพร้อมกันพันสรูปมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดเนีวันเดือนสามเพนเหมือนกับการประชุมรัฐสภาอย่างนั้นประชุมสภ า, านี่ยตั้งกฎหมายอย่างนั้นเป็นข้อข้อแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่ละศิกษาบทมาแล้ว มารวบรวมกันมารวบรวมกันแล้วก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาควรปฏิบัติอย่างไงปกครองสงในว่าวันมาคบูชาส่วนวันอาสระบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เสวยวิมุตติสุขในที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วจากนั้นท่านก็มองเห็นปัญจวัคคีท่านก็ไปโปรดปัญจวัคคีเมื่อไปโปรดปัญจวัคคีปัญจวัคคีก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลอันนั้นเป็นการประกาศ พระธรรมเป็นครั้งแรกให้แก่โลกทั้งหลายให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ให้แค่ว่าไปแจกธรรมเป็นครั้งแรกอันนี้ว่าวันอสสรหะบูชาเป็นวันที่สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจากนั้นท่านก็เดินทางมากับมาโปรดอุบาสกอุบาสิกานั้นพวกที่ทั้งคนทั้งหลายก็ แปลว่าวันอัสารหาบูชานะเป็นวันที่ครบถ้วนได้ทางพระพุทธคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสุรุระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แทนได้บรรลุพระสงฆ์คือปัญจวัคคีทั้งห้าได้สำเร็จเป็นอริยสงฆ์แล้วแปลว่าครบถ้วนในวันอัสารหาบูชานะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ออกไปประกาศศาสนาอีก มีอบาสกพ่อของยศกุลบุตรเข้ามาพบได้กราบพระพุทธเจ้าได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นคนแรกเพราอนกันแต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมปัญจวัคคีย์ทั้งห้ายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นยังเป็นสารณะสองอยู่งั้นเถอะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมแต่เมื่อปัญจวัคคีย์ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปแล้วครบพระสง์ เป็นวันอสซราฮาบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาครบทั้ง3อย่างทั้งสขายอย่างเหมือนนเถอะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปได้ตัดสรุปพระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระสงฆ์นําพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตัดที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวนํามาประพฤติปฏิบัติก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แปลว่าครบถ้วน ทั้งสาจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ประกาศพระศาสนาออกมาเรื่อยๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราจึงยึดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าว่าพระสงฆ์ไม่นําพระธรรมมาสั่งสอนพวกเราคงไม่รู้ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กนะครูก็ครูอย่างนั้นอางนั้นแต่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่า ท่านก็ไม่ได้เคยบวชเรียนเขียนอ่านแต่ท่านก็สอนว่าพระพุทธเจ้าคืออ่านเขาสอนพุทธประวัตินะพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธะพ่อพระเจ้าจุโทธทนะเขาก็สอนไปตามหนังสือบอกนะแต่ในพระพุทธเจ้าของเราท่านไปตัดสู้ในป่านะท่านได้บรรลุธรรมท่านไปพบหลักธรรมอันหนึ่งนะอยู่ในป่านะเราเป็นเด็กเราหลักธรรมเหมือนกับหลักศีลอาชีกอย่างงั้นลางันเถอ ในความรู้สึกนะในสมัยเป็นเด็กพอพระพุทธเจ้าไปพบหลักธรรมอันหนึ่งท่านในสแสวงหาธรรมไปพบหลักธรรมอันหนึ่งอยู่ในป่านะแต่ละสมัยเราเป็นเด็กเราก็ฝังใจเลยว่าพระพุทธเจ้าคงจะไปพบหลักธรรมอันหนึ่งเป็นแท่งหินแล้วก็เป็นหลักศิลาจารึกลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นในความรู้สึกฝังอย่างนั้นจริงๆริงเหม น, นพอได้มาบวชแล้วมาได้ศึกษาแล้วแต่นีโ่โอ้อันนั้นมันเป็น คล้าๆว่าสมมติฐานขึ้นมาตอ น, นเองเราจะไปเอาอย่างนั้นมาพูดไม่ได้เพราะงั้นเพระธรรมนั้นก็คืออันหนึ่งเอมันคนละเรื่องกันเลยเพราะงั้นกับหลักศิลาจารึกอย่างทิวานะ่ยแต่ตามไม่จริงมากกว่มันก็ดีคล้ายๆว่ามันคล้ายๆเหมือนเป็นหลักหลักธรรมเพราะงั้นหลักธรรมคําสั่งสอนอ้าเนี้มาพูดถึงเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยมามาละเลื้อยได้เว่าที่คนโบราณเขาเปรียบเทียบให้ฟัง มันก็เข้าขายอย่างนี้เหมือนกันนะเข้าขายที่ว่าลวงตาําเด่นน้อยตาบอดลวงตาตาบอดก็ไม่ใช่ลวงตาแท้เหลนั้นนะตาหนุ่มพระหนุ่มเลยละ่ะตาบอดมาแต่กาเนิดแล้วคนตาบอดเขามีพรสวรรค์อันหนึ่งเหมือนกันนะเขาทำอะไรเขาจะเขาจะเก่งอย่างดิปีสีซออะไรเขาก็เก่งร้องพงร้องเพลงเขาก็เก่ง ตี่เขาเขามาบวชพอมาบวชเขาก็มาเรียนแหล่มัตชีอย่างนั้นแหล่มัตชีแหล่หลเสียงอย่างนันเถอะแต่พูดเรื่องพระเวทสันดอ น, นางมัตชีพระเวทสันดร อ, ออกป่ายังไงเห็นป่าดงพงภัยยังไงเข้าออป่ายังไงทุกข์ยากยังไงน้ําตกน้ําไหลยังไงน่ะจากนั้นนางมัตชีไปอยู่กับพระเวทสันดรในตรงในป่ากัญหาชาลีผูกพัดภาคไ ป, ไปมีความทุกข์ยังไง อันนี้พระตาบอดท่านก็นมันมีกรอนของเขาเนี่ยฟังเนีโอ้คนโบราณเนี่ร้องห่มร้องไห้แล้วว่างั้นเถอสะสรุปสังเวชกับนางมาชัชีพระเวทจันทรนนท์ที่ออกไปอยู่ในป่านรงพงภัยอันนี้แล้วว่าพระตาบอดองนั้นท่านก็นแหล่มัชีอย่างเนี้ยแล้วท่านแแลบ้านนน้นแหล่มเลซื้อเสียงก็ท่านกรโด่งดังท่านก็นมีเนียนน้อยเนียนน้อยเป็นคนจูงมือไปอ่างั้นเถอะคนตาบอดเนี่ยพระตาบอด จูมือไปบ้านนูนบ้านนี้ขี่ม้าไปด้วยเออเน่นน้อกวเป็นคนพาขี่ม้าไปเพราะคนโบราณเขาขี่ม้าได้เลยพาโบราณพอไปถึงบ้านหนึ่งคงก็คงไปใกล้เมืองสักหน่อยมั้งแต่ก่อนก็อยู่ในป่ารงพงไผ่ไม่เคยมีจะกินน้ําต่บน้ำหน่อไม้หนอนน้ำธรรมดาอย่างนั้นแต่แต่พออยู่ใกล้เมืองทีนีงเขาก็ตอนเช้ามาก็เห็นพระเดินทางเหนื่อยเขาก็เลย ทรงโอวันตินกับนมใส่แก้วมาเอ่อใส่แก้วเข้ามาถวายพระตาบอดทอนี้พระตาบอดกับเนยน้อยเนยน้อยก็ตาดีใช่ไหมพระนะ่ยตาบอดพระแต่กําเนิดพอเนยะ น, น้อยก็เอานมโอวันตินให้แก้วหนึ่งพระองคนั่นก็ดื่มดื่มแก้วนมโอวันติน โอ้โหมันอรเด็ดอร่อยเหมนกันนะาบซ่าไปหมดเลยไม่เคยได้กินอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันเลยถามเนนก็สซิบถามเนีนนะเนียนเนเนนอันนี้เป็นน้าอะไรเนนน้อยก็บอกว่านมโอวันตินครับคุป า, างคงจะไม่เกินกันมากาเหมือนกันเอโนเนียนบอกเนี่ยตรงพ่อญยพ่อวังอนกันนะ นมโอวตินครับย่าพ่ อ, าอยาพ่อก็เลยสงสัยไปเอ้นมนมโอวัลตินน่ะมันเป็นยังไงเพราะคนตาบอดนี่ใช่ไหมล่ะ<ค>นี<ป>่ตาบอดเพราะแต่กําเนิดไม่รู้นมันเป็นยังไงเห็นแต่ว่าเป็นน้ําก็เลยถามยะะม้ำอีกว่าเอ้นมนมโอวัลตินมันเป็นยังไงเนีนนยน้อยวะเนียนวะเนียน้อยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงพ่อว่าคนตาบอดใช่ไหมเอ้นมนมโอวัตินก็นเขาเขาขเขาเขาส้วมมวงเขาเขาขุนนน่ะย่าพ่อว่ากัาน ยาพ่อก็ยิ่งสงสัยใจแล้วว่าเขาเขขุนขุนเขาเขาสกมวกนั้นมันเขาเขาอย่างไงคือเขาไม่เขาจ้วะเหมือนกันแต่เขาขุนขุนเหมือนกันแหละเอ๊ะมันเขาขุนขุนมันเขาอยังไงเนนเหมงอนนเนนน้อยก็ไม่รู้จะทํำยังไงอธิบายอีกเขามันนกยางน่ะหน้าอย่าพ่อเหมือนนเฮ้ขามันนกยางนะหน้าเหมือนกันาพ่อก็เลยถามอีกว่าเอ๊่นกยางมันเป็นยังไงเนนเหมือนน เนรก็ไ่รู้จะทํำยังไงก็เลยทํามือเป็นซกงกอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ทำมืออย่างนี้เพราะนกยางมันเป็นอย่างนี้ได้มันขามออกมานี้ช่ไหมเป็นอย่างนี้แหละลงพ่อนกยางเลย่าพอตาบอดก็มือคําไปคํามาเอานอนมโอวันตินนี่เป็นอย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้น เ, เอนอนมโอวันติ น, นมันเป็นอย่างนี้เองเนาะเพราะฉะนั้เอเเอ ตามไม่จริงนมอวดตีนกับมือคนชกงกหนึ่งมันคนละเรื่องกันเลยว่างั้นเดอเอออันนี้ก็เหมือนกันน่ยที่หลวงพ่อได้ฟังครูอธิบายให้ฟังมาเออพระพุทธเจ้าเป็นภพหลักธรรมอันหนึ่งอยู่ในป่านะมันเข้ากันได้ว่างั้นเถอเออแต่ตามไม่จริงคนละเรื่องกันว่างั้นเถอะเออหลักธรรมเนี่ยคือคําสั่งสอนเออคำสั่งสอนคืออะไรสอนให้คนเป็นคนดีอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุธรรม บรรลุอะไรบรรลุมรม 8, มรคแปดบรรลุอริยสัจสี่นี่แหละที่บรรลุที่ท่านบรรลุทำปุเพนวาสารนสติยานจตูป ป, ปาตยานอาสาวัคคายานที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุจากนั้นท่านก็นสอนเมื่อได้บรรลุแล้วท่านก็นสอนแนวทางมาเนี่ยเขียนแผนที่ขึ้นมาบัดเนี่ยคนที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้ควรจะเดินอย่างไรนี่ย ทีนีพระพุทธเจ้าเขียนแผนที่แล้วบัดเนี่ยเริ่มเขียนแผนที่เหมือนกับท่านไปเห็นท่านจะไปด้วยวิธีของท่านยังไงยังไงก็ได้อย่างนั้นไปถึงเมืองอเมริกาแล้วพอไปถึงอเมริกาแล้วทอนนี้ผู้ที่จะไปอเมริกาเนี่ยไปยังไงทีนี้ก็ท่านก็เขียนแผนที่เลยเดินอย่างงั้นไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนั้น อันนี้ก็คือพระธรรมะคําสั่งสอนนะบะัดเนี่ยคือแผนที่เนี่คือพระธรรมคําสั่งสอนจากนั้นในเมื่อเขียนเขียนแผนที่แล้วอคนก็เดินตามเดินตามแผนที่ที่พระธรรมคําสั่งสอนนั้นสําหรับคราวญท่านก็นสอนให้มีศีลห้าเพราะมีภาระมากมีธุระมากเอาเพียงศีลห้าเขาพอแล้วละ่ะเพราะว่าศีลห้าเนี่ย ถ้ารักษาดีแล้วจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าคนขาดศีลห้าเนี่ยมันระแวงแคลงใจกันมีที่ไหนก็อยู่ด้วยกันก็มีแต่มองหน้ามองหลังกลัวเขาจะเอามีดมาฟันคอตัวเองโลกใบนี้จะน่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นลักษณะนีเ้เผลอๆตัวเองก็กลัวเขาจะฆ่าตัวเองตัวเอ ง, เอ ง, เองไปฆ่าเขาก่อนเถอะไหนก็ยิ่งไปใหญ่เถอะไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีศีลห้าซะ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโลกใบนี้ก็จะล่มเย็ยนเป็นสุขในระดับหนึ่งเหมือนกันจากนั้นอาทินนาทานกาเมศวิมิจฉาจารย์มุสาสุราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่ดื่มสุราถ้าคนดื่มสุราถึงจะเรียนรู้สูงขนาดไหนมีความรู้สูงขนาดไหนดีขนาดไหนก็พอเอาสุราเข้าปากนั้นมันเกิดความประมาทมันก็ทําความชั่วได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มดไม่ให้ดื่มสุรา พอดื่มโุดาเนี่ยทำให้คนเป็นบ้าเป็นบอคนขาดสตินะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ยังบัญญัติสําหรับฆราวาสเนี่ยศีลห้านี่กัเพียงพอแล้วถ้าว่าคนมีศีลห้ามากโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขทั่วเราจะมาคิดดูกันแล้วกันนะทุกวันนี้ถ้าคนขาดศีลธรรมมากมากมันเป็นยังไงความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็เกิดยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อมุสาอย่างนี้ ทับยังไงสัญญาเขียนแล้วเขียนอีกฉีกแล้วฉีกอีกตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกเ อ, อกรรมการดูแล้วดูอีกมันก็ยังมีการเล็ดรอดออกไปเพราะเหตุไรพราะเนี่ยความไม่ซื่อสัตย์ของคนมันอยู่ในจิตในใจอ่ะเพราะฉนั้นความไม่ไว้ใจตัวเนี้น่ยสรุปแล้วก็คือศีลศีลเออครวัตศีลห้าเนี่ยมันขาดไปมากในชุมชนสังคมประเทศชาติจากในโลกของเราทุกวันนี้ พนานั้นโลกทั้งโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะขาดศีลธรรมเรามองเลอกๆ ล, ลงไปสิพิจารณาใ่ตรองด้วยเหตุด้วยผลศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านบัญญัติไว้นะไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าว่าถ้าใครรักษาได้แล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่โดยมากคนไม่เข้าไม่ชอบเข้าเรื่องธรรมะเนี่ยไม่เอาเพราะมันมันฝืนกับกิเลสของตนเองเออที่หลวงพ่อเคยพูดนะ ประตูวัดเนี่ยเปิดทั้งทางหน้าเปิดทั้งทาหลาัเปิดทั้งสี่ทิศประตูวัดไม่มีใครอยากจะเข้าแต่ประตูคุกเนี่ยใสย่กุญแจทั้งสามชั้นเรียงคิวกันเข้าไป อ, อยากจะเข้าคุกกว่างั้นมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนชั่วใจชั่วในความคิดของมนุษย์ชาติทุกวันเนี่ยมันเต็มตำซามลงไปเรื่อยๆเลยชอบมันไปทางนั้น มัชอบไปในทางทุกข์ไม่ชอบไปในฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีแต่ชอบไหลลงไปทางต่ําสิ่งไหนไปทางต่ําชอบไหลไปทางนั้นเหมือนกับ น, น้ําอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปสังเกตตรงคนอื่นนะที่พูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็จะสังเกตใจตัวเองเหมือนกันมันชอบไหลลงทางต่ําหรือเปล่าะพวกเราก็เหมือนกันนะี่ยนะให้สังเกตดูวใจของตนเองใจของเราในชอบไหลลงทางต่ําหรือเปล่าถ้าพวกเรา สังเกตดูตนเองเอาธรรมะเขาไปจับแล้วเอ่อทำไมเราจึงจะรู้ว่ามันไหลลงทางต่าหรือมันไหลไปทางสูงถ้าเราชอบละเมิดสินห้าของพระพุเทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าใจของเราไหลลงทางต่ำาลเพราะสินห้าเนี่ยเป็นเส้นบรรทัดสำหรับฆราวาสเอ่สําหรับพระก็เหมือนกันเราละเมิดศินองีสิบเเราต้องตรวจตรา ด, ดูเสมอว่าินีของเราเนี่ยเราขาดตกบกพ่องข้อไหนบ้าง ที่ทำให้เราจะเป็นผู้มัวหมองเราก็ยึดสินคือเส้นบรรทัดคือสินถ้าว่าคนมีสินดีแล้วก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าคนขาดสินขาดสินละธรรมในจิตในใจแล้วมีแต่ความหายยะที่จะเข้ามาคือสินเนี่ยเป็นพื้นฐานสินเนี่เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นของคุณงามความดี ถ้าจะเปรียบเทียบในศีลเนี่ยก็เหมือนกับท่านเป็นอาคารบ้านเรือนก็คือฐานนั่นเองฐานเจดีฐานศาลาฐานกำแพงฐานสะพานถ้าฐานไม่ดีแล้วจะปลูกอ า, อาคารขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะแต่ถ้าว่าฐานดีเนี่ยมันมัน่นคงอันนี้ก็เหมือนกันศีลก็คื อ, คอฐานของคุณงามความดีทั้งหลาย ถ้าศีลดีแล้วสมาธิก็ดีเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาก็ดีเมื่อปัญญาดีแล้วรู้จักไตรกองเหตุและผลสิ่งไหนดีสิ่งไห น, นชั่วสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําสิ่งไหนควรพูดไม่สิ่งไหนไม่ควรพูดจะรู้ได้เพราะว่ามันมาจากฐานคือศีลของเราเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่ว่าหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่เน่ยศีนสมาธิปัญญาเนี่ย ถ้ามเมื่อปัญญาซักฟอกจิตใจแล้วนะ่ะชำระใจแล้วใจหลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกเพราะใช้ปัญญาสมาธิสมาสังกโปสมาธิคืออะไรความเห็นชอบก็คือตัวปัญญาชัดๆในมรรคแปดนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเบื้องต้นก็ได้พูดถึงวันเดือนสิบเพนที่วันพรุ่งนี้ที่จะถึงนี้ พวกเราควรจะทำตัวอย่างไรในวัดของเราควรจะเตรียมอะไรและกับพร้อมกันกับพวกเราควรจะทำตัวอย่างไรทำบุญบุทิศสวนกุศลอย่างไรจากนั้นก็พูดถึงเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆวันสำคัญของท้องถิ่นวันสำคัญในหลักของพระพุทธศาสนาจนถึงหลักของพระพุทธศาสนาจุดยืนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรไม่ใช่หลักธรรมนะไม่ใช่หลักโดเดยอยู่ในป่าเฉยเฉยไม่ใช่หลักหินก้อนหนึ่งอนะไรเงี้ยหลักธรรมมาเนี่ยอท่านเราไปคิดว่าหลักธรรมเหมือนหินโดเดยก็เหมือนกับอยาพ่อตาบอดไปคํามือของเนนว่าเป็นนกกระยางเ อ, อิโนมโอวตินเป็นอย่างงี้เด้นะถ้านเราไปเข้าใจอย่างนั้นมันก็ต้องผิด ไปคนละทิศละทางเลยว่างั้นเพราะนั้นพวกเราให้เข้าใจนะในหลักธรรมคําสั่งสอนให้ตรวจตราดูตนเองอย่างที่ว่าน่ะคือศีลห้านี่นะศีลห้าถ้าอยู่ในใจของเราแล้วกัมีแต่ความสงบสุขนั้นอนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่สูงอายุขึ้นมาแล้วในะเรื่องศีลควรจะตรวจตราดูให้ชัดเจนถาาว่าพวกเรามีศีลดีแล้วระลึกถึงเวลาไหนใจสบายนะ ใจสบายใจมีความสุขจะไปเดินทางไปทางหน้าก่อนนึกระลึกถึงศีลของตัวเองก็มั่นใจเพราะงั้นเอารับพรอนอโมทนาให้พร